เรื่องผ้าห่มขนยาวหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งห่มผ้าห่มขนยาวภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเธอมีขนยาวแต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าใช่เจ้าค่ะพระคุณเจ้าผ้าห่มขนยาวท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาที่เศษหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอบัตทุกกฎวงเล็บเรื่องที่ห